การพะวจาก็ตอนนี้ค่ะที่บ้านแฟนได้ทำสถานที่ให้ใหปฏิบัตินะคะเพราะว่าไม่มีโอกาสได้ขึ้นไปวัดการปฏิบัติของโยมนะตอนนี้นะคะก็คือก็เอาเป็นปัจจุบันคณาเพราะว่าโยมก็พิจารณาขอโอกาสกลับเรียนเรื่องการปฏิบัตินะคะโยมก็พิจารณาแรกๆเนี่ยโยมก็พิจารณาการดูจิตของตัวเองแต่พักหลังเนี่ย ก็ไม่ได้ดูแต่ก่อนตั้งเป็นผู้ดูดูอยู่ว่ามีอะไรเข้ามาแล้วก็ไปพิจารณาคัดสรรว่าอันนี้เป็นสังขารอันนี้ไม่ใช่สังขารแต่พอมันฐานอั น, นอ น, นี้คือเส้นทางการเดินทางของโยมนะคะณปัจจุบันที่กําลังกับเรียนหลงพ่ออาจารย์อยู่ตอนนี้ก็คือว่าภัายเออก็คือมันเกิดขึ้นก็เกิดใช้ชีวิตเป็นปกติมากกวเดิมะคะ่ะแต่ก่อนต้องต้องเข้าไปทําเข้าไปดู ตอนนี้ก็ก็เป็นชีวิตที่เป็นปกติไม่ทราบจะอธิบายยังไงเจ้าคะ่ะแต่ว่าให้เพียรอยู่ในธรรมให้เป็นปัจจุบันทุกปัจจุบันนะคะให้บ่อยขึ้นให้ถี่ขึ้นก็ยังมีผู้ปฏิบัติอยู่แล้วนะคะพระอาจารย์ก็คือหมายถึงว่ามันเป็นเส้นทางของโยมนะตอนนี้เจ้าคะ่ะอืมถ้าเทียบกับเมื่อก่อนเนาะเมื่อก่อนมีเราปฏิบ100ัติร้อยเปเซใช่ค่ ะ, ะใช่ค่ะมีเราเลยแหลนะเนาะมีเรา <c oughs> เป็นผู้ปฏิบัติ มีเราอมีทุกแล้วก็เราปฏิบัติเพื่อให้เราพ้นทุกคือมีเราทั้งร้อยเปอร์เซนต่อมาเมื่อมีปัญญามากขึ้นความเป็นตัวเรามันก็หายหายไปเรื่อยไปเรื่อยว่าจริงๆรงอะตั้งร่า ง, ง, งกายก็จะเข้าใจถูกต้องว่าร่างกายมันก็เป็นสังขารเนาะเป็นดินน้ําไฟลมดินน้ําลมไฟเออมันก็ไม่ใช่เรา <c oughs> จิตใจความรู้นึกคิดอารมณ์ต่างๆมันก็เกิดเองดับเอง มันก็ไม่ใช่เราเราไม่ได้ทำให้มันเกิดก็เลยเข้าใจถึงว่าสภาวะที่ปรากฏที่เกิดนั้นมันก็ไม่ใช่เราทีนี้พอมันไม่ใช่เราแล้วเนี่ยก็มันจะเข้าใจไปเรื่อยๆว่ามันไม่ใช่เราแต่จริงๆมันก็ยังมีลึกๆกันแหลว่าเออต้องเรียนรู้อีกหน่อยนึงต้องเรียนรู้อีกหน่อยหนึ่งมันยังไม่ถึงที่สุดนี่แสดงว่าก็ยังมีเราลึกๆอยู่เนาะใช่ค่ะทีนี้ถ้ามัน ถ้ามันมีเหลืออยู่ว่าเอยยังมีเราลึกๆอยู่ก็ให้เห็นว่าไอเราอันนั้นแหละจริงๆมันก็คือสังขารปรุงแต่งเหมือนกัน ม, มันเป็นแค่ความรู้สึกเป็นแค่ความคิดเป็นแค่เอมันเป็นแค่ความรู้สึกอ่ะรู้สึกว่าเราเราปฏิบัติเราต้องปฏิบัติอีกหน่อยเนี่ยจริงๆเหล่าเนี้ยอ่าทีนี้ว่าอ่าสมมติว่าเดี๋ยวนี้ตอนเนี้ยมันยังรู้สึกว่าลึกๆนะมันรู้สึกว่าอต้องปฏิบัติ อีกนิดนึงนะมันมันมันเหมือนเหมือนกับว่าลึกๆอ่ะคือมันยังมีเราแต่ให้เพึงเข้าใจด้วยปัญญาว่าไอความรู้สึกที่มันลึกๆลึกๆอันนั้นนะมันก็คือสังขารเหมือนกันเออมันคือสังขารมันคือสังขารที่กําลังปรากฏขึ้นไม่ต้องไปทําลายไม่ต้องอะไรมันเพียงแต่รู้ว่าไอความรู้สึกนะไอความรู้สึกนั้นมันก็คือสังขาร เพราะว่าในธรรมชาตินี้ ส, สิ่งที่ปรากฏเนาะสิ่งที่ปรากฏทางจิตทางใจทางกายเนี่ยมันเป็นสังขารทั้งหมดเลยไม่มีเราในสังขารเนาะในสังขารไม่มีเราไม่มีเราแต่ทีนี้ถ้าเขาเรียกว่าขาดปัญญาหรือว่าไม่มีสติเนี่ยมันก็หลงลืมตรงนี้ไปพอหลงลืมมันก็ไปยึดในความคิดในความรู้สึกเป็นเราขึ้นมาทันทีก็คือเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาทันที แต่ถ้ารู้มันเห็นมันว่าไอาความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นแล้วก็นั่นแหละก็ให้รู้ว่ามันเป็นแค่ปักสิ่งที่กำลังปรากฏก็คือสังขาร น, นั่นเองที่กำลังปรากฏเมื่อมันปรากฏแล้วแน่นอนมันไม่ได้ครังฟ้าหรอกแ ป, แป๊บเดียวมันก็ดับไปใช่มมันดับไปพอดับไปตรงนั้นมันก็สังขารดับแล้วก็ต่อมาถ้ามันเกิดมาอีกก็รู้อีกว่าสังขารเกิดเนี่ยให้รู้อยู่อย่างเนี้ย ตรงนี้แหละมันเป็ น, ป น, ปนทางของมันเป็นมรคของมันเพื่อที่จะเห็นความเกิดดับของสังขารแล้วก็ไม่ยึดถือสุดท้ายแล้วก็จริงๆก็เออไม่ได้ห้ามสังขารเนาะเนี่ยรวมรวมถึงญาติโยมคนอื่นก็เหมือนกันน่ยที่ยังมีความรู้สึกว่าเรายังไม่เข้าใจธรรมะเราเราต้องฟังอีกเนี่ยสภาวะเหล่านี้มันเป็นสังขารทั้งหมดหรอกให้เพียงแค่รู้มันว่าเออมันปรากฏแล้วแล้วยังไงมันก็ต้องดับอยู่ดีแต่ถ้าเราไม่รู้มันก็กลายเป็นเราขึ้นมา หรื อ, อว่าเป็นเราเนี่ยเราเราเราปฏิบัติทํามไม่ถึงไหนเรายังต้องปฏิบัติอีกเยอะหรือว่าโอ้ยเราไม่รู้เรื่องเลยพวกนี้มันเป็นสังขารทั้งหมดเพียงแต่รู้ให้ทันแค่นั้นแหละเมื่อรู้ทันแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะเข้าใจแจ่มแจ้งเองว่าไอ้สิ่งเนี้ยมันเป็นแค่สังขารเกิดดับสังขารเกิดดับนะพอมันชนานาญขึ้นเมื่อไหร่เออมันจะปรุงจะคิดยังไงไม่มีปัญหาแล้วเพราะมันรู้ทันไปแล้วว่าไอ้สิ่งที่ปรุงที่คิด มันคือสังขารทั้งหมดมันไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงเนี่ยอันนี้คือมันเป็นเส้นทางเป็นมักเลยเป็นเป็นเส้นทางเป็นมักที่จะให้เกิดเป็นผลนะเพราะว่ามันมีมักผลเนาะมักก็คือรู้ให้ถูกต้องรู้ทันรู้ตามความเป็นจริงมันเป็นมักแล้วก็ผลก็ไม่ต้องห่วงอ่ะมันก็มันก็ให้ผลอยู่แล้วอแล้วถ้าเข้าใจแบบเนี้ยมันมันไม่ยากอะไรหรอกแต่มันยากตรงที่ ที่ไม่เข้าใจในในสัจธรรมไม่เข้าใจในคําสอนเนาะแล้วก็มันมันเหมือนกับว่าคือไม่เข้าใจนั่นแหละ <c oughs> ก็เลยปฏิบัติยากๆหน่อยแต่ถ้าเราฟังจากผู้รู้ผู้มีประสบการณ์เนี่ยที่เขาชี้บอกแบบเนี้ยเออน้อมมาปฏิบัติมันก็จะอ๋ออ๋ออ๋อออไปเรื่องอย่างเงี้ยมันก็เบาไม่ลําบากไม่มันไม่ลําปฏิบัติด้วยความไม่ลําบากเออไม่ลําบากเพราะว่า การปฏิบัติยิ่งรู้รู้ที่จิตรู้ที่ใจนะคือรู้อาการนี่แหละรู้ความคิดรู้ถึงความปรุงแต่งความคิดเนี่ยก็คือหลวงพ่อพูดไปแล้วก็คือไอตัวที่มันพูดมันภากมันบ่นนั่นแหละมันพูดมันภาคมันบ่นไอเนี้ยตัวความคิดมันเป็นสังขารอ่าเป็นจิตตสังขารซึ่งมันเกิดขึ้นในจิตเออไอจิตตสังขารเนี่ยมันเกิดขึ้นในจิตอ่าทีเนี้ยเวลาดูจิตอ่ะเขาบอกว่าดูจิตดูจิตมันผิดตรงไหนรู้ไหมมันผิดตรงที่ว่า มีเราไปเป็นผู้ดูนี่มีเราเป็นผู้ไปดูจิตแต่จริงๆอ่ะถ้าปฏิบัติถ้าถึงจุดหนึ่งอ่ะมันไม่มีผู้ดูเออมันไม่มีผู้ดูคือไม่มีเราเป็นผู้ดูแต่มันดูเดี๋ยวต้องหลวงพ่อจะขยายให้ฟังใหม่ๆนะเวลาพูดถึงดูจิตมันมีเราเนีย่ยมีตัวเราเลยเป็นผู้ผู้ดูจิตพฤติกรรมของการดูจิตมันเป็นยังไงก็คือ มันตั้งรู้มันตั้งดูมันตั้งเป็นผู้ดูเอาไว้แล้วก็เป็นผู้เพ่งอเห็นไหมมันมีพฤติกรรมไงมันสร้างพฤติกรรมขึ้นมาไอพฤติกรรมเนี้จริงจริงมันก็เป็นสังขารนั่นแหละเพราะแต่เดิมไม่มีพอบอกให้ดูจิตปั๊บมามันก็สังขารขึ้นมาคือปรุงขึ้นมาเป็นผู้ดูพอเป็นผู้ดูเสร็จมันก็เห็นอาการเอเห็นความสุขเห็นความทุกข์เห็นความนิ่งเห็นความเฉยเห็นความว่างอันเนี้ยเรียกว่ายังมีเราเป็นผู้ดู แต่ถ้าไม่มีเราเป็นผู้ดูทํำยังไง <c oughs> จริงๆไอ้ตรงที่ไม่ทํานั่นแหละ <c oughs> ถ้าไม่มีเราเป็นผู้ดูทํำยังไงก็คือไอ้ตรงที่ไม่ได้ทําเป็นผู้ดูนั่นแหละนั่นแหละเขาเรียกว่าดูจิตก็คือว่าเมื่อจิตมีอาการอย่างไรก็รู้เองเช่นส่วนไห้ระหว่างเรานั่งคุยเนาะนั่งคุยกันเนี่ยพอคุยๆปับ๊บมันไม่ถูกใจมันโกรธมันมีโทสะขึ้นมา แล้วก็พอมีโทสะในฉับพันตอนนั้นแหละมันรู้ขึ้นเลยว่าอา้าวมีโทสะเกิดแล้วไอาการรู้แบบเนี้ยเขาเรียกว่าไม่เขารู้รู้แบบไม่มีผู้รู้เพราะมันรู้ของมันเองแต่ถ้ามีตัวเราเป็นผู้ดักรู้เป็นผู้ตั้งใจรู้เป็นผู้จ้องที่จะรู้อย่างเนี้มันก็มีตัวเราอย่างเนี้ยยังไม่ใช่ดูจิตเออเพราะฉะนั้นดูจิตจริงๆต้องดูโดยไม่เจตนาที่จะดูอันนี้คือจะเห็นอาการของจิต แตจิตจริงๆอะ่ะความหมายจิตจริงๆอะมันคืออะไรโอ้ต้องขยาอยอีกบางเนี้ยเอาอย่างนี้นะหลวงพ่อพูดเพื่อเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางเอาไว้คือสิ่งที่เรียกว่านะสมมติว่าเออเอ า, อางี้เราเราใช้หลักที่ที่เป็นภาษาชาวบ้านที่เขาพูดกันนะั่นนะชาวบ้านในเวลาเขาพูดกันว่าจะทุกข์จะสุขมันก็อยู่ที่ที่จิตใช่ไหมเออจะทุกข์จะสุขมันก็อยู่ที่จิต หมายความว่ามันมีสภาวะที่เรียกว่าทุกข์เออมันก็อยู่ที่จิตสภาวะเป็นสุขที่เรียกว่าสุขอ่ะมันก็อยู่ที่จิตเพราะฉะนั้นทุกข์กับสุขมันไม่ใช่จิตแต่จิตอ่ะมันเป็นอีกอันหนึ่งคือเป็นเป็นที่ที่ที่ที่ให้สุขให้ทุกข์เนี่ยมันมันอยู่แล้วถามว่าแล้วทั้งนั้นจิตมันมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ไหมล่ะจิตไม่ได้เป็นสุขไม่ได้เป็นทุกข์ แต่จิตเนี่ยเป็นที่ให้สุขให้ทุกเนี่ยอยู่แล้วก็เอาไหมจิตเป็นที่ที่ให้สุขให้ทุกเนี่ยมันเกิดแล้วก็เป็นที่เดียวกันที่ให้สุขให้ทุกนั้นมันดับพอพูดอย่างนี้โยง ก, ก็มันก็จินตนาการไม่ออกนะอาหลวงพ่อลองยกตัวอย่างเพื่อให้เห็นภาพกันแล้วกันอันนี้คือเป็นการก็เรียกว่าเป็นการอธิบายโดยใช้สมมุติ มาพูดให้ฟังเอาเป็นอย่างนี้นะหลวงพ่ออุ ป, ปมาก่อนเออบางทีธรรมะมันพูดตรงๆก็พูดไม่ได้เนาะสมมติว่าเอ่อมีถาดเนาะมีภาชนะเรียกว่าถาดแล้วก็ในถาดเนี่ยเอาสมมติว่ามันมีลูกแตงโมลูกหนึ่งแล้วก็มีทุเรียนลูกหนึ่งเอาแตงโมเนี่ยสมมติว่าเรียกว่าสุขเนาะอ่าเป็นความสุขทุเรียนเรียกว่าเป็นความทุกข์ถาดเนี่ยเรียกว่าจิต เออแล้วก็ถ้าสมมติว่าเอาเอาแตงโมออกไปนะเอาสุขสุขไม่มีคือแตงโมไม่มีมันก็ถาดก็ยังมีอยู่เอาทุเรียนออกไปที่เรียกว่าทุกนะทุกไม่มีแต่ถาดก็ยังมีอยู่เออเพราะฉะนั้นไอ้ทุเรียนก็อย่างหนึง่งไอ้แตงโมก็อย่างหนึง่งถาดก็อย่างหนึง่งก็อุปมาเหมือนกับ ว, ว่าไอ้สุขเนี่ยก็อย่างหนึง่งไอ้ทุ ก, ก็อย่างหนึง่ง ไอจิตก็อย่างนึงเอออ่าทีนี้ไอทุเรียนกับแตงโมเนี่ยมันมีลักษณะอย่างนี้คือมันเขาเรียกว่าเดี๋ยวเอามาใส่ในถาดอันนี้เขาเรียกว่ามีมันมีขึ้นมาแล้วเนาะเอาทุเรียนมาใส่ไว้ในถาดอ่ามันก็มีขึ้นมาแล้วพอเอาออกทุเรียนแตงโมมันก็ไม่มีแต่ถาดก็ยังมีอย่างเดิมอยู่เห็นไหมเพราะนั้นเนี่ยถาดเนี่ยเป็นความคงที่คือไม่ได้มีและก็ไม่ได้หมดแต่ทุเรียนมีแล้วหมด ทีนี้พูดถึงเรื่อง จ, ит. จ ит ิตจิตก็เหมือนกันก็หมายถึงว่าเวลามีสุขความสุเกิดขึ้นแล้วก็ความสุก็ดับไปแต่จิตไม่ได้เกิดขึ้นแล้วก็ไม่ได้ดับไปอ้าวแล้วก็เวลาทุกข์เกิดขึ้นทุกก็มีแล้วเวลาทุกดับไปทุกก็ดับแต่จิตไม่ได้ดับไปกับทุกด้วยเพราะจิตมันไม่ใช่ทุกจิตไม่ใช่สุจิตเป็นแค่สิ่งที่รองรับความเกิดดับของทุกของสุอ่า พอเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยเวลาดูจิตนะเวลาดูจิตเนี่ยมันเอาอะไรอะถ้าเอาเราไปดูเห็นไหมมันก็มีตัวอีกตัวไม่รู้ตัวอะไรมาเป็นผู้ดูดูทุกข์ดูสุขอันนั้นนะเพราะฉะนั้นผู้ดูอันนี้มันไม่ใช่เป็นจิตหรอกแต่มันเป็นตัวเราแต่ทีนี้ถ้าไม่ใช่ตัวเราเป็นผู้ดูเป็นยังไงก็คือมันจะรู้ของมันเองว่าเออทุกข์เกิดขึ้นแล้วสุขเกิดขึ้นแล้วเออเห็นไหม มันจะรู้โดยไม่เจตนาและไม่จงใจเออเพราะนั้นที่เราปฏิบัติเนี่ยมันผิดมันผิดผิดก็ผิดเป็นผู้เพ่งเป็นผู้ดูไงมันผิดแต่ถามว่าผิดอันเนี้ยแล้วทำยังไงให้ถูกมันก็ต้องปฏิบัติแบบผิดไปก่อนไงพอปฏิบัติผิดแล้วจึงรู้ว่าอ๋อพฤติกรรมการทำแบบนี้มันผิด พอมันผิดเสร็จต่อไปก็เลิกเพ่งเสียบ้างเพราะว่าการเพ่งอ่ยมันเครียดมันเหนื่อยเพราะเอาตัวเราไปทําเออทีนี้ก็ก็หมายถึงว่าต่อไปเนี่ยเวลาเพ่งมันรู้จักแล้วนี่ว่าแบบเนี้ยมีการเจตนามีการจงใจก็มีจิตตัวจริงเลยมารู้เลยว่านี่มีตัวเรามาเพ่งแล้วเห็นไหมไอ้จิตตัวจริงมันรู้เราเลยว่าเราเนี่ยเพ่งแล้วเอาแล้วต่อมาพอเพ่งมากๆมันเหนื่อย มันก็เลิกเพ่งก็คือเปลี่ยนพฤติกรรมพอเปลี่ยนพฤติกรรมปับ๊บจิตมันก็รู้เราเลยว่าเราเนี่ยไม่เพ่งแล้วเออเห็นไหมเพราะฉะนั้นจิตที่แท้จริงอ่ะมันไม่ใช่เราจิตที่แท้จริงคือจิตที่ทำหน้าที่รู้รู้โดยที่ว่าไม่ใช่มีตัวตนของใครเป็นผู้รู้แต่คุณภาพเอ้ยคุณสมบัติของจิตอ่ะคือมันรู้ด้วยตัวมันเองตัวมันเองนะ แต่ตัวมันเองก็หามีไม่แต่เวลาเราพูดเนี่ยพูดจนเป็นตัวแต่จริงๆอ่ะจิตที่แท้จริงอ่ะมันไม่มีตัวมันไม่ปรากฏรูปทรงสันฐานมันไม่ปรากฏอะไรมันได้แต่รู้สิ่งที่มันรู้มันรู้อะไรคือมันรู้จักตัวเองว่ามันอ่ะไม่มีรูปร่างไม่มีตัวตนคือมันไม่เป็นอะไรแล้วมันก็รู้สิ่งอื่นได้ด้วยรู้รู้สุขรู้ทุกข์ได้ว่าอันเนี้ยเป็นสุขอันเนี้ยเป็นทุกข์ แต่จิตอ่ะมันไม่ได้เป็นด้วยมันได้แต่รู้เออแล้วก็มันเห็นชัดแจ้งด้วยว่าไอ้ทุกข์สุขเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดดับแต่ตัวมันเองอ่ะที่เป็นจิตอ่ะมันไม่ได้เกิดไม่ได้ดับอ่าทีเนี้ยถ้าโยมเข้าใจอย่างเนี้ยโยมก็เห็นภาพแล้วว่าอ๋อที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยไอ้ที่ดูจิตดูจิตเนี่ยมันยังมีเราเป็นผู้ดูอยู่แต่ยังไม่รู้เราคือเราเนี่ยเป็นผู้ดูดูมาตั้งหลายปีดูจิต อันเนี้ยมันก็ก็ไม่ถูกแต่ความไม่ถูกนี่แล้วก็เรียกว่าผิดเป็นครูให้รู้ว่ามันไม่ถูกแต่ก็ยังดูได้ต่อไปก็ดูจิตเหมือนเดิมก็ได้แล้วก็ลองดูใหม่ก็จะพบว่าอสมมตินะพอรู้จักว่าแบบดูแบบนี้มันดูผิดเป็นการดูแบบเพ่งแบบจ้องแล้วโยมก็มีพฤติกรรมลองทําแบบแบบนั้นแหละก็จะรู้เลยว่ามันก็จะมีจิตมารู้เราว่าเราเพ่งแล้วเราจ้องแล้วนั่นแหละไอ้ที่รู้เรานั่นแหละเขาเรียกว่าจิต เออเพราะนั้นจิตจึงไม่ใช่เราจิตจึงเป็นธรรมชาติรู้เป็นธรรมชาติที่ไม่ปรากฏไม่ปรากฏรูปพันสันฐานแต่รู้ตัวเราได้เราทำอะไรจิตก็รู้ได้นะเราเพ่งมันก็รู้เราไม่เพ่งแล้วมันก็รู้เราทำเป็นผู้ไม่รู้ไม่ชี้มันก็รู้นะมันรู้เราตอนนี้เราก็กลายเป็นตัวเราเป็นสิ่งถูกรู้ไปแล้ว อ่าพอตัวเราเป็นสิ่งถูกรู้เป็นไงลนะ่ะตัวเราก็คือสังขารนั่นเองก็คือตัวที่มีการเกิดดับใช่ไหมตัวเราก็คือขนนันธานั่นแหละตัวเราก็คือตัวที่พู้พูดผู้เพ่งผู้พูดที่จ้องผู้ที่ดูเนี่ยพวกเนี้ยเป็นสังขารหมดเลยแต่จิตมันไม่ใช่ตัวเราจิตเป็นสิ่งที่มารู้ตัวเราถ้ายอมเข้าใจอย่างเนี้ยต่อไปยอมจะรู้จักไอคําว่าพ้นทุกได้เลยพ้นทุกข ค, คือพ้นยังไงคือจิตนั่นแหละคือ คือธรรมะเอ้ยจิตนั่นแหละคือสภาพธรรมะที่ไม่มีทุกข์เป็นธรรมะที่ทําหน้าที่รู้ทําหน้าที่เห็นแล้วจิตมันก็ไม่เคยมีทุกข์ไม่เคยมีสุขเป็นอนันตการอยู่แล้วตั้งแต่ไหนแต่ไรจิตไม่เคยมีทุกข์ไม่เคยมีสุขแต่สิ่งที่จิตไปรู้เข้าน่ะนั่นแหละเป็นสังขารปรุงแต่งเรียกว่าเป็นสังขารไม่เที่ยงสังขารเป็นทุกข์แล้วก็สังขารเป็นอนัตตาก็คือถ้ารู้ตัวเรานั่นแหละก็คือจิตรู้เรียบร้อยแล้ว แล้วก็พ้นทุกได้เรียบร้อยเพราะว่าตัวเราคือตัวทุกแต่จิตไม่ทุกขเมื่อรู้ตัวเราบ่อยๆรู้เราบ่อยๆมันก็พ้นทุกทุกขณะที่ที่รู้เพราะว่ามันรู้แล้วมันไม่เข้าไปยึดไม่เข้าไปถือไม่เข้าไปเป็นมันก็เป็นพ้นทุกไปเรื่อยนี่แหละสติปัฏฐานสูตรถึงบอกว่าให้รู้ตัวให้รู้ตัวให้รู้สึกตัวก็เพื่ออะไรหรอกก็เพื่อให้เห็นว่าตัวเราเนี่ยตั้งแต่กายเวทนาจิตเนี่ยกายก็คือสังขาร น, นะเป็นทุกจิตเวทนาอ่าก็เป็นสังขารเป็นทุกข จิตก็เป็นสังขารเป็นทุกข์ธรรมะทั้งปวงทั alone, ้งที่เป็นสังขารไม่ใช่สังขารทั้งที่เป็นทุกข์ทั้งไม่เป็นทุกข์มันก็เป็นเป็นสภาวะธรรมที่ที่ถูกรู้ไปแต่จิตเนี่ยอยู่เหนืออยู่เหนือกายเหนือจิตเหนือเวทนาเหนือธรรมะประเภทที่ถูกรู้ก็เลยจิตนี่แหละคือเป็นธรรมะขั้นโลกุตละคือพ้นไปจากสังขารหมดพ้นไปจากสังขารนะพ้นไปจากความแต่งพ้นไปจากทุกข์พ้นไปจากสุข ก็คือว่าเป็นขึ้นโลกุตกะะก็คือเป็นนิพพานนะเพราะนั้นจิตที่ไม่ทุกข์ไม่สุขก็คือนี่แหละจิตนี้แหละเพราะฉะนั้นที่เราปฏิบัติธรรมเนี่ยที่มันมีข้อผิดพลาดเนี่ยตรงที่เราไม่เห็นมากมายเนาะเช่นเป็นผู้ดูเป็นผู้รู้เป็นผู้เดินเป็นผู้นั่งมันเป็นเราไปหมดเลยแต่ความจริงอะ่ะการเดินการนั่งการนอนเนี่ยมันไม่ใช่เราแต่จิตเนี่ยรู้ได้ว่าอ่ะกําลังเดินอยู่กําลังนั่งอยู่กําลังนอนอยู่หลวงพ่อก็พูดต่อจากโยงรัตนาพรเสียยาวเหยียดเลย แต่เพื่อคนอื่นได้ฟังด้วยนมัศ ก, การเนาะอาจารย์พลอยอนิมลครับอนามัศ ก, การพระอาจารย์ครับก็เมื่อกี้พระอาจารย์ออส ไ, ได้แสดงทางที่ไหลออกมาจากจิตเนาะออืเป็นจิตที่ไหลออกมาโดยไม่มีสิ่งที่ปูมแต่งนั่นเวลาการพูดพูดแบบไม่มีตัวตนเข้าไปพูดเนะมืันคือไม่มีถูกไม่มีผิด แล้วเราก็มีผู้ที่ไปฟังแบบไม่มีตัวตนเข้าไปมีถูกมีผิดก็ไม่มีตัวตนเข้าไปฟังฟังก็เป็นเพียงแค่ฟังมันก็จะอยู่ในช่วงขณะขณะเดียวที่เราสัมผัสในการฟังก็เกิดจิตกุศลกุศลจิตแล้วก็รู้นะรู้ว่าเกิดกุศลกุศลเป็นของกุศลจิตก็เป็นส่วนจิตจิตเป็นตัวผู้รู้ก็ส่วน อ, อ, อารมณ์ทั้งหลายก็เป็นสิ่งถูกรู้แยกออกมาเป็นคนตัวเราก็จะเห็นตัวช่องว่างระหว่างกลาง ร, ระหว่างตัวผู้รู้คือจิตถ้าสิ่งที่ถูกรู้คืออารมณ์ก็กระทบช่องว่างระหว่างกลางก็คือไม่มีผู้รู้ไม่มือผู้ฟังขาดการห้าทำงานแล้วก็เป็น ป, ปัยกุโซนเขาเรียกเหนือมัสมีองแปดคือไม่ไม่ไปกระเพื่อมแต่ว่างนิ่ง่งของจริงนิ่งเป็นใบแต่ก็ต้องการพูดก็ต้องอาศัยสมมุติโดยสมมติปัญญา ที่หลวงพ่ออาจารย์ออสได้แสดงธรรมได้ชัดเจนผู้ฟังก็เกิดความเบาสบายผู้ฟังก็เกิดความเบาสบายเพราะว่าผู้พูดได้ได้พนะิจารณาเหมือนโยนิโสพิจารณาธรรมเห็นอย่างไรแต่เพียงแค่ออกเสียงมาเพื่อให้เราได้สัมผัสผู้ฟังก็เกิดความสัมผัสด้วยการพิจารณาตามก็จะเข้าใจก็จเรียกภาษาธรรมภาษาใจนะฟังแล้วเสียงเสมอกันทําเสมอกันก็จะ ไม่สงสัยยกเว้นผู้ที่ยังสงสัยก็จะไม่เข้าใจในการปฏิบัติต้องอาศัยใจเข้าไปฟังแต่จะเอาความคิดเข้าไปฟังมันก็จะเป็นเพียงแค่ความจำเดี๋ยวก็ลืมแต่ถ้าคนที่จาสภาวะเกิดสภาวะเขาเรียกว่าจับสุดดวงตาเกิดขึ้นแล้วกับเราแต่ไม่ใช่ว่าจับสุดดวงตาเกิดขึ้นแล้วกับตารา จากสุดวงตาเกิดขึ้นกับอาจารย์งั้นละทำที่เราปัะจจะแจ้งเพียงแค่หนึ่งขณะที่มีการสัมผัสมีการกระทบนั้นวัดกันช่วงวินาทีวินาทีคือขณะที่มีการกระทบมีเราเข้าไปยึดเพียงขนาดหนึ่งหรือว่าเป็นมีเราเข้าไปวางเพียงละขนาดหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นวิสัยของผู้ที่ปัญญาสูงสง่งฟังโดยไม่ยึดติด แต่ก็ไม่ใช่ให้ไปจําฟังก็เพียงแค่ฟังแต่ก็เห็นกิเลสตัวเองย่อมเป็นเป็นผู้ที่มีประโยชน์แต่เห็นกิเลสผู้อื่นย่อมเป็นผู้ที่เสียประโยชน์นั้นการฟังอยางพระอาจารย์พลพูดก็ไม่ต้องเชื่อเนาะมันเป็นแค่แค่สภาวะของเรานะเพียงแค่ฟังแล้วก็ผ่านแต่เมื่อใดเรารู้อย่างจัดแจง้งอย่างเงียบเงียบสภาวะมันก็มีอยู่แล้วโดยที่เราไม่ได้อธิบายมันก็มีอยู่แล้ว แต่เียงพ่อพ่อแม่กูบาอ า, าจารย์ท่านแสดงมาเล่าประสบการณ์ทางธรรมเพื่อให้เราได้ประสบการณ์ที่ท่านได้ฟังก็จะได้อากเนียไปพิจารณาเป็นเส้นทางเดียวกันก็เป็นสิ่งที่ดีมาวันนี้พระอาจารย์ออส ก, ก็แสดงทำได้ชัดเจนแล้วก็ฟังแล้วก็พิจารณาไปก็อันเดียวกันแต่ว่าพูดไม่เหมือนกันแค่นั้นเององั้นก็ขออนุโมทนาพระอาจารย์ออสนะครับที่ได้มีโอกาสเปิดให้ผมได้มา ร่วมสนธนาธรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางธรรมก็ฟังท่านมาก็เข้าใจแล้วก็ <c oughs> สิ่งที่มองเห็นได้ยากก็คือผู้ที่ไม่เป็นไม่เอาไม่มีตัวนี้หา ย, ยากส่วนใหญ่พวกเราจะเป็นผู้ดูเนะี่ยเรารู้นะกับรู้เราเนะี่ยถ้าเรารู้มันก็จะมีมีอัตตาตัวตนเข้าไปรู้ในสิ่งที่เราฟังแตถ้ารู้เราเนะี่ยมันก็จะไม่มีตัวตนเข้าไปรู้ แต่รู้รู้สิ่งที่กระทํากําลังผููกระทําไม่มีไม่มีพูกระทําและไม่มีพูถูกกระทําน่ยคืออนัตตาแต่ถ้ามีเรารู้มันจะมีผู้กระทําและพูถูกกระทําอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ยากตรงที่สุดตรงนี้วัดกันตรงนี้คีย์เวิร์ดอยู่ตรงนี้ก็ขออนุโมทนาพระอาจารย์ด้วยนะครับ